บ้านราคาถูกพูดถึงเรื่องแผ่เมตตาทําให้ฉันหลลึกขึ้นได้ถึงเรื่องที่เกิดกับฉันเรื่องหนึ่งเรื่องนี้14บสี่สห้าปีมาแล้วแต่ฉันยังจําได้เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งลูกชายฉันตอนนั้นอายุอยู่ในราว1 8บ9ปปีได้มาเล่าให้ฟังว่ามีบ้านแม่ของเพื่อนคนหนึ่งอยากจะขายตัวบ้านเป็นตึกสี่ห้องนอน ตั้งอยู่ในเนื้อที่ไร่หนึ่งมีเครื่องเรือนมีโทรศัพท์พร้อมและขายแค่หนึ่งล้านเงินจำนวนเท่านี้ถ้าเทียบกับเดี๋ยวนี้ก็ดูน้อยมากแต่ในเวลาครั้งกนนทนต้องฟังดูก็รู้สึกว่าถูกมากนี่ก็ตั้งอยู่ในซอยกลางซึ่งเป็นซอยที่มีผู้คนอาศัยเต็มไปหมดเรียกว่าเป็นบริเวณที่จเจริญแล้วด้วยฉันได้ยินครั้งแรกก็สนใจคิดว่าจะซื้อแน่แน ตกแต่งเพิ่มเติมเสียใหม่แล้วก็ให้ฝรั่งเช่าก็ยังไม่ขาดทุนวันนั้นฉันจำได้ว่าเป็นวันพุธฉันไปกับคนขับรถและเด็กรับใช้คนหนึ่งถนนเป็นคอนกรีตตลอดเข้าไปก็ไม่ลึกฉันนึกแน่ใจ ย, ยิ่งขึ้นว่าฉันคงต้องตกลงซื้อแน่ๆพอไปถึงหน้าบ้านก็บีบแตรสักครู่ก็มีผู้หญิงคนเฝ้าบ้านมาเปิดประตู หลังจากทราบความประสงค์ของฉันแล้วตัวตึกตั้งอยู่ชิดไปทางด้านซ้ายของที่ส่วนด้านขวาเป็นสนามกว้างหญ้าถูกตัดไว้เรียบหน้าดูตึกปลูกเป็นรูปยาวๆไปตามเนื้อที่ดูแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วยังกะการไว้ในใจว่าในส่วนตรงที่ว่างนั้นจะกั้นรั้วเตียเต้ยๆปลูกบ้านได้อีกหลังหนึ่งอย่างสบายขณะที่คิดนั้น ฉันกำลังเดินขึ้นบันไดตึกเพื่อขึ้นไปด้านบนความรู้สึกของฉันตอนเดินขึ้นบันไดมันแปลกพิกลรู้สึกตัวหนักอึง้งอึดอัดหายใจไม่สะดวกเอ๊ะนี่เราเป็นอะไรไปนี่ศีสะก็มึนนิดนิดฉันชักจะเอะใจเสียแล้ววันในบ้านนี้จะต้องมีวิญญาณของใครเพ่ผพานอยู่แน่ๆถ้าจะไม่ดีซะแล้วแต่จะรู้สึกอย่างไรฉันก็เดินตามคนเฝ้าขึ้นไปเรื่อย พอโผล่ขึ้นบันไดขึ้นไปก็พบว่ามีห้องโถงก่อนส่วนห้องนอนมีสามห้องมีทั้งปีกซ้ายปีกขวาและตรงหน้าบ้านที่ยื่นออกไปห้องแรกที่ฉันเดินเข้าไปเป็นห้องนอนซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือเมื่อมองจากหน้าต่างออกไปก็จะเห็นสวนขณะที่ฉันกำลังโผล่หน้าต่างมองดูสนามอยู่พลันก็มีเสียงหนึ่งร้องให้ช่วยคนพาดูบ้านกับเด็กของฉันไม่ได้ยิน มีแค่ฉันได้ยินคนเดียวเสียงที่ร้องให้ช่วยคเน่ไม่ถูกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะเสียงต่าเวลาพูดก็ลากเสียงยาวจนขนลุกเสียงนั้นร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยซ้ำๆกันอยู่สองสามหนฉันชักรู้สึกไม่ดีมึนศีรษะหนักขึ้นจึงผลาจากห้องนอนนั้นเดินไปยังห้องที่อยู่ปีกขวา อ้าวเสียงนั่นก็ตามไปอีกเห็นว่าเอ๊ะหนีมาห้องนี้แล้วยังร้องอยู่อีกก็พละไปยังห้องที่ยื่นไปหน้าบ้านมาถึงห้องนี้ยิ่งได้ยินชัดขึ้นใหญ่ทำให้คนลุกเกลียวไปหมดเสียงที่หูฉันก็บอกมาว่าแผ่เมตตาให้วิญญาณ น, นี้ด้วยฉันก็เลยยื่นหลับตานิ่งๆและนึกอธิษฐานจิตแผ่เมตตาไปให้ยังเสียงนั้นว่าจะเป็นวิญญาณของใครก็ตาม ข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาอานิสงฆ์ให้ณบัดนี้ขอวิญญาณจงรับอานิสงฆ์และจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดพอแผ่เมตตาเสร็จฉันก็มิได้รอช้าได้เดินกลับลงบันไดตรงไปขึ้นรถเลยเจ้าคนขับรถไม่รู้ไปเพลินอยู่ที่ไหนฉันต้องบีบแตรสองสามทีมันถึงได้วิ่งออกมาขับรถพาฉันไปธุระต่อ ตกตอนค่าถึงเวลาทานอาหารเรานั่งกันอยู่พร้อมหน้าฉันก็เล่าให้ลูกชายฟังว่าแม่ซื้อไม่ได้ซะแล้วบ้านนี้ลูกชายถามว่าทำไมล่ะครับไหนคุณแม่บอกราคาถูกไงล่ะครับฉันจึงเล่าให้ลูกชายฟังซึ่งขณะที่เล่าอยู่เจ้าคนรถมันก็มายืนตรงระเบียงห้องพักอาหารมันร้องขึ้นมาว่าโอ้ยตอนที่คุณผู้หญิงเรียกผมผมกาลังอยู่ในสวนครับ แล้วผมกำลังดูที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ลาต้นด้านบนมีผ้ายันสีแดงปิดอยู่แล้วยังมีตะปูตอกทับติดอยู่กับต้นเลยครับฉันก็นึกได้ทันทีว่าเสียงนั้นคือวิญญาณที่ถูกตอกตรึงอยู่กับต้นไม้และออกมารังควานใครไม่ได้นั่นเองมีหน้าเล่าจึงขอร้องให้ฉันช่วยคงเป็นเพราะวิญญาณนี้ออกมารบกวนแน่ๆคนเช่าจึงอยู่ไม่ทนเลยคนเฝ้าบ้านเล่า ว, ว่า ฝรั่งมาเช่าอยู่ไม่มีใครอยู่ได้ถึงหเดือนเลยสักรายนี้เปิดไปหมดเจ้าของก็เลยบอกขายในราคาถูกผิดสังเกตฉันจวนไปแล้วมีดีว่าวิญญาณได้มาร้องขอให้ช่วยไม่เช่นนั้นฉันคงได้เป็นเจ้าของแล้วก็ต้องเก็บมาหนัก อ, อกเราเองแทนอย่างแน่นอนจบตอนที่หนึ่งต่อไปเป็นตอนที่สองนะครับตอนพบพระสุปฏิปันโน ฉันว่าโลกเราทุกวันนี้แม้จะเจริญขึ้นมากทางการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ความบังเอิญลิขิตไว้ก็ยังบังเกิดขึ้นกับตัวฉันเสมอซึ่งโดยมากเป็นไปในทางที่ดีอย่างเช่นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นใหม่จากผลของผู้ที่อ่านเรื่องที่ฉันเขียนในหนังสือโลกลี้ลับนี้เองเช้าวันหนึ่ง เมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกายนปีพศ2529ได้มีสุภาพบุรุษผู้หนึ่งขอเอ่ยนามในที่นี้ว่าเธอคือคุณเกตแก้วได้โทรศัพท์มาหาฉันบอกอยากมาขอพบตัวจริงของฉันมากเพราะเลื่อมใสและอยากจะทราบถึงเรื่องหมอดูแว่นฟ้าที่ฉันเขียนไว้เมื่อตอนตน้ตนๆเธอบอกได้อ่านเรื่องที่ฉันเขียนโดยบังเอิญจากห้องทางานในออฟฟิศของเพื่อนคนหนึ่ง พออ่านปุ๊บก็ติดใจทันทีเลยขอมาพบฉันก็อนุญาตให้มาได้ในวันที่คุณเกตแก้วมาเป็นเวลาสิบนาฬิกาของวันเสาร์เธอมาพร้อมกับภรรยามาคุยได้ประเดียวก็บอกว่าวันนี้ตอนส1บอนาฬิกาผมจะต้องไปรับท่านอาจารย์ที่สำเร็จแล้วลงมาจากเขาที่ชัยภูมิจะมาที่บ้านคุณวิเศษ ผมอยากจะขอเชิญคุณป้าให้ไปพบท่านจะได้ทราบอะไรๆเกี่ยวกับคุณป้าดีขึ้นฉันก็ตอบว่าขอบคุณมากแต่ไม่แน่ใจเลยว่าจะไปไหวไหมเพราะเมื่อคืนเป็นลมขณะนอนแช่น้ำร้อนจนเดินไม่ไหวต้องกดออดเรียกต้นห้องขึ้นมาพยุงถ้าเดินคนเดียวก็จะล้มคุณเกตแก้วก็บอกผมจะไปคอยรับที่หน้ากระทรวงมหาดไทยและจะโทรศัพท์มาถามคุณป้าว่าจะไปไหวไหม เมื่อคุณเกตแก้วไปแล้วฉันภาวนาจิตว่าถ้าฉันมีบารมีจะได้พบพระสุปฏิปันโนจริงๆแล้วล่ะก็ขอให้ฉันหายวิงเวียนและมีพลังที่จะไปพบท่านได้แล้วก็แปลกจริงๆฉันหายเป็นปลิดทิ้งและเดินเหินขึ้นไปแต่งตัวได้อย่างคล่องแคล่วบ่ายสองโมงเศษฉันให้น้องสาวขับรถไปรับคุณเกตแก้วที่หน้ากระรวงมหาไทยซึ่งคุณเกตแก้วรออยู่แล้ว ถึงบ้านคุณวิเศษที่เป็นตึกแถวอยู่ติดกับคลองคลองหนึ่งฉันไม่รู้ชื่อคลองเป็นคลองตื้นๆอยู่ข้างหลังวัดราชบอพิษสถิตมหาศีมารามพอฉันไปถึงก็ตรงเข้าไปกราบท่านถูกอ ง, ท, งทั้งทั้งที่มีพระห่มจีวรสีกลากนั่งเป็นแถวแต่ฉันเข้าไปก็รู้ทันทีว่าเป็นองค์ไหนฉันเองปกตินั่งกับพื้นไม่ได้แต่ช่างประหลาด วันนั้นฉันนั่งพับเทียบอยู่กับพื้นได้นานถึงสองชั่วโมงครึ่งโดยนั่งพลิกกลับไปซ้ายทีขวาทีและได้ทำบุญสมทบสร้างโบสถ์กับท่านซึ่งนานๆจะพบพระสุปฏิปันโนทีหนึง่งรู้สึกปลื้มใจมากและนึกขอบคุณคุณเกตแก้วอย่างมากๆด้วยตอนสเสด็จพระองค์หญิงเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวฉันโดยตรงโดยเรื่องได้เกิดกับหลานสะพ้ยของฉัน แต่มีฉันเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเป็นส่วนมากจึงนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เชื่อเถิดว่าวิญญาณนั้นมีจริงมาปรากฏตัวมาแสดงอะไรก็ได้แล้วถ้าวิญญาณนั้นต้องการและความบันดาลให้มนุษย์ซึ่งเป็นคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยกลายเป็นผู้มีความสามารถอับชาติไปได้อย่างแปลกประหลาดที่สุดเมื่อสมัยก่อนเราราวสิวกว่าปีที่ถนนพระรามหนึ่ง จะมีตึกใหญ่ของทรัพย์สินปลูกติดถนนด้านซ้ายเป็นแถวราวๆแปดถึงตึกได้แต่ละหลังจะมีเนื้อที่อยู่ในบริเวณประมาณหนึ่งไร่สมัยนั้นครอบครัวของฉันและพี่สาวเคยเช่าไว้และเปิดเป็นบริษัทการค้าของเราเราปลูกโรงงานเพิ่มเติมข้างล่างห่างจากตัวตึกส่วนตัวตึกชั้นล่างก็ใช้เป็นออฟฟิศส่วนข้างบนก็ใช้เป็นที่พักซึ่งมีพี่สาวฉัน หลานๆลูกของพี่สาวและคุณพ่อคุณแม่และตัวฉันซึ่งตอนนั้นเพิ่งเป็นม่ายสามีเพิ่งเสียก็เลยให้บ้านฝรั่งเช่าหมดและมาพักอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวพี่สาวฉันมีลูกชายสองคนคนโตแต่งงานแล้วก็พักอยู่ที่นี่เหมือนกันในตึกนี้มีห้องสีห้องใหญ่ซึ่งพักกันพอดีเรื่องเกิดขึ้นครั้งแรกในคืนวันหนึ่ง ภรยาของหลานชายซึ่งนอนอยู่กับสามีได้ร้องขึ้นมาสุดเสียงพาพวกเราตื่นกันหมดทุกคนได้ความว่าเมื่อกี้นี้เราราวตีสองหลานสะพยได้เห็นผีเอาหน้ามาแนบที่มุง้งเมื่อสมัยก่อนเรายังใช้มุ้งกันอยู่เป็นผู้หญิงหลานสะพ้ายชั้นเล่าไปร้องไห้ไปตัวสั่น ง, งินงกบอกน่ากลัวเป็นที่สุดอีกสองสามคืนต่อมาผีตนนั้นก็มาหาหลานสะพยอีก คราวนี้เข้าไปในมุ้งและสะกดหลานสะพ้ายไว้ไม่ให้กลัวไม่ให้ร้องแต่ให้ฟังฝ่ายเดียวขณะที่พูดก็จับมือหลานสะพ้ายไว้ด้วยแล้วพูดว่าฉันเป็นพระองค์หญิงฉันมาดีจะมาประสาทวิชาให้ชาติก่อนหนูเป็นหลานฉันจําไว้นะถ้าคิดจะทําอะไรให้นึกถึงฉันไว้ทุกครั้งพูดเท่านี้ก็หายวับไป หลานสะพ้ยฉันซึ่งถูกสะกดไว้พอผีพระองค์หญิงหายวับไปทางนี้ก็ร้องจรี๊ดขึ้นมาอีกจนได้พาพวกเราตกใจตื่นกันวุ่นวายไปหมดแล้วก็พากันกลัวเกือบแย่ไม่รู้ว่าจะโดนกับตัวเองเข้าเมื่อไหร่หลังจากคืนวันนั้นพอรุ่งเช้ายูยูหลานสะพ้ยก็เกิดความคิดจะเปิดร้านตัดเสื้อขึ้นมาเฉยๆพี่สาวฉันก็ปลูกร้านตัดเสื้อให้ในบริเวณบ้าน เสื้อตัวแรกที่หลานสไยชันตัดปรากฏว่าบ่าข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่เพราะไม่เคยเรียนมาก่อนเลยแต่เป็นการโดนใจจากเสด็จพระองค์หญิงแท้ๆมิใช่อย่างอื่นแต่หลังจากตัวแรกแล้วหลานสไยชันก็มีความสามารถตัดเสื้อได้อย่างดีโดยไม่มีใครสอนหลานสไยชันเขานึกถึงเสด็จพระองค์หญิงตลอดเวลาและทุกสิ่งก็เป็นไปด้วยดี มีเพื่อนฝูงและลูกค้าพากันมาอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นจนเป็นที่ประหลาดใจกับพวกเราอยู่คลามคานว่านี่มันเป็นไปได้อย่างไรหลานสภพยชันตกลงกลายเป็นเจ้าของร้านตัดเสื้อไปได้ต่อมาจนกระทั่งทางรัฐบาลมีความเห็นว่าตึกเหล่านี้เก่าแก่เต็มทีนับห้าร้อยกว่าปีมาแล้วเห็นควรจะรื้อทิ้งและปลูกเป็นอาคารพาณิชย์แทนยังจะได้ผลประโยชน์มากกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ครอบครัวของพี่สาวฉันก็จำเป็นต้องอพยพ ก, กลับไปอยู่บ้านที่สุขุมวิทก่อนที่จะรื้อตึกหลานสภอย์ฉันก็โทรศัพท์มาหาซึ่งตอนนั้นฉันแต่งงานกับคุณกฤิดแล้วโทรศัพท์มาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดีจึงจะอัญเชิญดวงวิญญาณของสเสด็จพระองค์หญิงให้ไปอยู่ด้วยที่บ้านใหม่ที่สุขุมวิทฉันก็บอกไม่เป็นไรนะจะช่วยจัดการให้ ฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งความจริงเป็นเพื่อนคุณกฤิตเป็นทันตแพทย์เพิ่งกลับมาจากการศึกษาเพิ่มเติมจากอเมริกาแต่เธอชอบและสนใจเกี่ยวกับทางเรื่องวิญ ญ, ญาณต่างๆมานานแล้วเธอค้นคว้ามานานและในที่สุดเธอสามารถจะพูดกับวิญญาณได้เหมือนพูดกับคนธรรมดาด้วยฉันปรึกษากับคุณกฤตแล้วก็โทรศัพท์ไปเชิญนายแพทย์ผู้นี้มาที่บ้าน และเล่าความเป็นไปของหลานสะพายให้ฟังตั้งแต่ต้นด้วยความกตันยูรู้คุณสเสด็จพระองค์หญิงหลานเขาต้องการจะอัญเชิญดวงวิญญาณท่านไปอยู่ที่ใหม่ด้วยกันโดยจะปลูกตำหนักต่างหากจากบ้านให้ท่านประทับจึงต้องรบกวนขอร้องให้หมอไปช่วยไปเชิญวิญญาณสเสด็จพระองค์หญิงโดยทูลความตั้งใจดีของหลานสะพยให้ทรงทราบด้วยหมอก็รับคำและตกลงนัดวันกันจะไปที่ตึกถนนพระรามหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วมีแค่ตึกเปล่าๆหมอสั่งพวกเราว่าตอนที่หมอจะทำพิธีอัญเชิญวิญญาณสมเด็จพระองค์หญิงนั้นขอให้พวกเราหลับตาทุกคนเพื่อเตรียมตัวไว้ว่าเผื่อวิญญาณสมเด็จพระองค์หญิงท่านจะมากระทับกับร่างของใครก็จะได้ไม่ขัดข้องคืนวันนัดเราไปกันทั้งหมดสิบเอ็ดคนมีฉันคุณกฤตคุณประโถ์ หมอผู้เชิญวิญญาณผู้ช่วยหมอที่เอาเครื่องบันทึกเทปไปอัดเสียงหลานสะภ้ยหลานชายพี่สาวชั้นลูกชายคนเล็กของพี่สาวลูกสาวคนโตของพี่สาวและดูเหมือนจะมีลูกสาวคนเล็กของพี่สาวอีกคนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเราเอาเสือไปปูบนพื้นห้องซึ่งอยู่ติดกับระเบียงหน้าที่ยื่นออกไปสู่ถนนใหญ่เราไปถึงไม่พร้อมกันมีกรุ๊ปของฉันไปถึงก่อนซึ่งมีฉันคุณกฤิ หมอผู้เชิญมิญญาและหมอผู้ช่วยระหว่างที่รอผู้คนที่จะมาสมทบฉันนั่งอยู่บนเสื่อในห้องที่จะทำพิธีอยู่คนเดียวซึ่งฉันก็รู้สึกไม่ค่อยดีนักเพราะตึกใหญ่ทั้งตึกปิดไฟหมดมีไฟฟ้าเปิดอยู่ห้องเดียวนั่นคือห้องที่ฉันนั่งอยู่กับอีกดวงหนึ่งคือระเบียงหน้าตึกซึ่งขณะนี้มีหมอสองคนและคุณกฤิไปเดินคุยกันและชะโงกดูรอพวกที่จะมาสมทบอยู่ที่ระเบียง ขณะที่ฉันนั่งลืมตาอยู่เงียบๆก็เกิดสิ่งแปลกประหลาดขึ้นกับตัวฉันคือฉันเห็นในห้องที่ฉันนั่งอยู่มีหีบศพตั้งอยู่เหนือที่บูชาเป็นหีบไม้สีน้ำตาลธรรมดามีดอกไม้วางลดหลั่นตามโต๊ะที่ต่ำลงมาทางด้านซ้ายมือมีขาอย่างตั้งรูปผู้หญิงกลางคนรูปหน้าเป็นคนมีขากันไกลคือหน้าค่อนข้างเหลี่ยมผมเป็นสีเทามีผมทัดหู แต่ไม่ได้ทัดปล่อยผมมาทั้งสองข้างผมเป็นทรงดอกกระทุ่มสวมเสื้อสีขาวแขนสามส่วนคอกลมติด ก, กระดุมเม็ดๆเป็นระยะผาดผาสบาเฉียงสีเทาเครื่องหน้าเห็นถนัดมากคือตาไม่โตและไม่เล็กนักมองตรงมาที่ฉันคิ้วสั้นๆตรงๆจมูกโดง่งปากเล็กเม้มนิดๆแบบจะยิ้มฉันตกใจหมดร้องเรียกคุณกฤตและหมอเสียลั่นไปหมด พอหมอเข้ามาฉันก็ไม่เล่าอะไรแค่ถามหมอว่าหมอคะช่วยดูทีสิว่าพระสบของเสด็จพระองค์หญิงตั้งที่ห้องไหนหมอก็นั่งลงหลับตาและพอลืมตาขึ้นมาก็บอกฉันว่าตั้งในห้องนี้ฉันก็เล่าให้ฟังทั้งหมดที่ฉันเห็นหมอก็รับรองว่าถูกต้องหมดทุกอย่างฉันนึกขึ้นได้ว่าตอนที่หลานสะพัยเขาอยู่ที่ตึกนี้เขาใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนมีหน้าเล่า ท่านถึงมาหาอยู่เรื่อยประมาณทุ่มเสรเศษคณะของเราก็มากันครบและจะเริ่มทำพิธีบนเสือแถวหน้ามีหลานสะพ้ายหลานชายพี่สาวของฉันนั่งหลานสะพ้ายฉันนั่งซ้ายสุดแถวหน้าแถวที่สองมีคุณกิตอยู่หลังหลานสะพ้ายฉันนั่งถัดมาและคุณประโภ์และที่เหลือก็นั่งหลังๆคุณหมอบอกให้ดับไฟให้มืดให้หมด ฉันไม่ยอมทำตามคำสั่งของคุณหมอคือนําพระติดตัวไปและไม่ยอมหลับตาเลยใจฉันบอกตลอดเวลาที่นั่งฟังหมอทำพิธีทูลเชิญวิญญาณของสเสด็จพระองค์หญิงว่าวิญญาณของสเสด็จจะประทับที่ตัวหลานสะพ้ายให้จับตาดูพอหมอเชิญวิญญาณจบฉันก็มองไปที่ร่างของหลานสะพยพระเอิญตรงนั้นมีแสงไฟอ่อนๆส่องมาจากไฟถนนใหญ่ ทำให้ฉันมองเห็นใบหน้าด้านข้างของหลานสะพ้ยได้ถนัดว่าได้ถูกประทับแล้วเพราะยุงเกาะที่หน้าเขาเรียงกันสี่ตัวเขานั่งก้มหน้าไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนั่งตัวงองุ้มลงไปผิดลักษณะของคนสาวที่ควรจะเป็นมอพูดคำเจ้าตลอดเวลาว่าหลานสะพ้ยรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ประสิทธิประสิทวิชาอาชีพให้จนตั้งตัวได้ มาบัดนี้ตึกนี้จะถูกรื้อทิ้งแล้วเป็นห่วงว่าพระองค์จะไม่มีที่ประทับเหมือนอย่างเคยจึงจะทูลเชิญให้เสด็จไปประทับที่ตำหนักซึ่งบัดนี้กำลังสร้างเกือบแล้วเสร็จและจะทูลถามด้วยว่าจะมีพระประสงค์อื่นใดอีกหรือเปล่าทางหลานสะพ้ายพร้อมที่จะจัดถวายให้ตามพระประสงค์ทุกประการหมอทูลถวายกับท่านตั้งนานท่านจึงค่อยๆตอบออกมาจากปากหลานสะพ้าค่อยๆ ช้าๆว่าฉันไม่ได้พูดกับใครมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วทำให้พูดไม่ถนัดฉันขอขอบใจมากที่มีน้ำใจกับฉันถ้าฉันจะไปก็มีได้ไปคนเดียวหมอก็ทูลถามว่าไม่เป็นไรไมิได้พะยะค่ะพระองค์มีพระประสงค์จะให้สร้างห้องบรรทมเป็นสองห้องก็ได้พะยะค่ะ ท่านนิ่งคิดหรือจะปรึกษากับวิญญาณอีกวิญญาณหนึ่งอยู่สักครู่ถึงค่อยๆตอบว่าขอบใจนะจ๊ะถ้าไม่เป็นที่รบกวนและได้ห้องนอนสองห้องก็คงจะไปอยู่ด้วยและจะไปช่วยคุ้มครองให้ในที่สุดก็ทรงยินยอมที่จะไปประทับที่ตำหนักที่หลานสะพายเขาสร้างถวายเมื่อตำหนักเสร็จเมื่อไหร่ก็จะทูลเสด็จเชิญไปประทับต่อมาอีกประมาณเดือนเศษ หลานสะพยก็ติดต่อมาอีกว่าตำหนักเสร็จแล้วพร้อมเครื่องเรือนด้วยให้ฉันไปดูความเรียบร้อยหน่อยว่าควรจะเพิ่มเติมอะไรอีกเพราะฉันชำนาญในการจัดบ้านที่ให้ฝรั่งเช่าอยู่ตลอดมานานแล้วฉันก็ไปดูตำหนักที่หลานเขาสร้างมีห้องนอนสองห้องโดยมีห้องโถงอยู่ตรงกลางมีห้องน้ำด้านในใช้ได้ทั้งสองห้องมีบันไดขึ้นห้องโถงอยู่ด้านหน้าและยังแถมมีสระว่ายน้าถวายด้วย สร้างเป็นตึกชั้นเดียวน่าอยู่มากห้องทุกห้องปรูพรมผืนเล็กๆสมกับสถานที่ฉันเห็นเหมาะสมทุกอย่างแล้วก็นัดหมอผู้มาทําพิธีอัญเชิญวิญญาณของเสด็จพระองค์หญิงและผู้ติดตามให้เข้าไปอยู่ตำหนักใหม่ฉันและคุณกฤษตขับรถไปรับหมอจากที่ทำงานพาไปบ้านหลานที่สุขุมวิท ต, ตอนนั้นเป็นเวลาราวๆห้าโมงเย็นเห็นจะได้เมื่อไปถึงก็พูดคุยถึงเรื่องราวของพระองค์หญิง จนได้เวลาอาหารเย็นประมาณทุ่มหนึ่งได้ฉันคิดว่าเมื่อทานอาหารเย็นเสร็จแล้วหมอก็คงจะทำพิธีเชิญวิญญาณเสด็จพระองค์หญิงเข้าประทับยังตำหนักใหม่ที่เตรียมไว้เรียบร้อยแต่หมอก็ไม่มีทีท่าจะลุกขึ้นทำพิธีสักทีเดียวคงนั่งคุยเรื่องอะไรต่อมีอะไรต่อไปเวลาเกือบสามทุ่มฉันชักรู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกว่าพระองค์หญิงมาอยู่ใกล้ตัวฉัน และท่านกำลังรอที่จะเข้าบ้านใหม่ฉันเตือนหมอว่าหมอคะฉันว่าเวลานี้เสด็จพระองค์หญิงกำลังรออยู่นะและขณะนี้ก็อยู่ในห้องนี้แล้วด้วยพอฉันพูดขาดคำกลิ่นธูปหอมแบบโบราณก็ฟุ้งขึ้นมาในห้องทานข้าวทุกคนได้กลิ่นกันหมดหมอรีบยกมือไหว้ท่วมหัวพูดขอประธานภัยแล้วพูดว่าเกล้ากระหม่อมจะทาพิธีทูลเชิญเสด็จเดี๋ยวนี้แล้วพะะื่ค่ะ พูดแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินตามพวกเราเข้าห้องพระหลานสะพายฉันก็จุดทูบเทียนเชิญวิญญาณท่านพอเอื้อมือปักทูบเสร็จก็เข้าประทับทันทีเพราะท่านรออยู่แล้วพ่อหมอกล่าวทูลว่ากล่าวกระหม่อมจะขอเชิญเสด็จเข้าที่ประทับยังตำหนักใหม่ซึ่งคุณนอได้สร้างถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านตอบทันทีเสียงเล็กนิดเดียวและสั่นๆว่ายา ขอบใจนะพ่อหมอเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละที่เข้าบ้านใหม่กันกลางดึกแต่เอาเถอะจะทำยังไงได้ละ่ะสำหรับหนูนอและพ่อนิดฉันขอบใจมากนะจ๊ะที่อุตส่าห์ปลูกสร้างให้เสียสวยงามฉันขออวยพรให้เธอทั้งสองจงอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเถิดนะเสร็จแล้วหันไปพูดกับหมอเอา้าจะไปกันได้หรือยังล่ะพ่อหมอ หมอก็ก้มลงกราบแล้วทูลเชิญเสด็จหลานสะพายฉันลุกขึ้นไม่ได้หลานชายฉันต้องเข้าไปพยุงท่านลุกขึ้นท่านเดินแบบคนโบราณคือกริยาท่าทางเดินค่อยๆก้าวตลอดเวลาจะเอามือข้างขวาคอยจับผ้าถุงให้รวมกันแล้วเวลาเดินก็ค่อยหนีดผ้าถุงไว้ตรงหัวเขา่าซึ่งที่จริงหลานสะพายฉันไม่ได้นุ่งผ้าซิ่นเลยเขานุ่งกางเกง ทันเดินอย่างที่บอกจนไปถึงตำหนักก็ออกจากร่างหลานสะพยฉันลืมเล่าไปนิดนึงตอนอัญนเชิญดวงวิญญาณเสด็จพระองค์หญิงขั้งแรกที่ตึกเก่านั้นตอนที่ท่านกำลังจะมาประทับทรงพวกเราทุกคนได้ยินเสียงจั ก, กระจันร้องดังแซดไปหมดถ้าจะให้คำนวณเสียงของจั ก, กระจันแต่ละตัวฉันว่าเป็นล้านตัวเพราะเสียงดังเหลือเกินแซดไปหมดจนพูดกันไม่ได้ยินแม้จะนั่งติดกัน เห็นแต่ปากพะงาพะงาบแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลานสะพยฉันก็มีความสามารถผลิตเสื้อวิธี แ, แปลกๆมากขึ้นมีลูกค้ามากมายครั้งหนึ่งมาบอกให้ทำฉลองพระองค์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหลานสะพ้ายนั้นทำได้พอเหมาะองค์ท่านพอดีโดยเฉพาะแขนเสื้อจะยาวผิดจากคนธรรมดานอยนึงสเสด็จพระองค์หญิงมาดลใจให้หลานสะพยทราบขนาด เมื่อได้ถวายแล้วได้ข่าวว่าทรงแปลกพรไทยมากว่าทำไมถึงรู้ขนาดความยาวของแขนท่านได้ขณะนี้หลานสไปฉันมีชื่อเสียงมากผลผลิตในวิชาต่างๆที่เขาผลิตออกมาล้วนเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนทั้งสิน้นตัวเขาเองก็ยังแปลกใจว่าเขาทำออกมาได้อย่างไรทุกชิ้นล้วนสวยงามประณีตแปลกตา จนเป็นที่สนใจของคนต่างประเทศและได้เชิญเขาไปโชวผลงานที่ผลิตออกมาหลายครั้งแล้วนับจากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังประทับอยู่กับเขาหมายถึงหลานสะภ้และประสิทธิ์ประสาทวิชาใหม่ๆให้ตลอดมานับเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วท่านมิได้เสด็จไปเกิดใหม่ยังคงประทับอยู่ณตําหนักเดิมไม่ไปไหนและทรงคอยคุ้มครองครอบครัวของเขาด้วยดีตลอดมา ตราบเท่าทุกวันนี้ผลที่ท่านประสาสวิชาศิลปะงานฝีมือการเย็บปักการวาดรูปโดยใช้หัวแม่มือจุ่มสีแล้วป้ายเป็นรูปต่างๆได้งดงามมากซึ่งมีได้มีอยู่แค่ตัวหลานสไปธเท่านั้นเมื่อลูกเกิดมาและโตขึ้นมาก็ยังสนใจในงานเหล่านี้เหมือนมันดาอย่างประหลาดหลานสไปธชั้นได้ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ ในสาขาวิชาออกแบบและศิลปะในด้านเครื่องแต่งกายเพื่อส่งเสริมให้แตกฉานขึ้นบัดนี้ลูกสาวคนโตก็ได้สำเร็จการศึกษาและกลับมาช่วยมารดาเป็นที่น่าปลื้มใจมากทั้งนี้เกิดขึ้นจากการโดนบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับหลานสะพยโดยสเสด็จพระองค์หญิงเป็นผู้ประธานให้อย่างแท้จริงสำหรับสมเด็จพระองค์หญิงนั้นหลานเขาไปค้นคว้าสืบประวัติท่านได้ความว่า เมื่อครั้งที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ท่านทรงเป็นช่างสารพัดท่านทำอะไรไม่ได้ท่านก็พยายามเรียนรู้เพียงเวลาอันสั้นท่านก็จะทรงทำได้ด้วยเหตุชะนี้แม้ว่าท่านจะมีเพียงวิญญาณวิญญาณของท่านก็ยังสามารถมาบรรดานให้มนุษย์ที่ในอดิตชาติที่เป็นลูกหลานท่านได้รับถ่ายทอดวิชาสารพัดให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเมืองไทยได้อย่างมหาศย์ยิ่งกระทั่งถึงทุกวันนี้ ตอนเด็ดกระดูกเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องประหลาดมหาศจรัร์อันใดแต่ว่ามันแปลกอยู่หน่อยที่ฉันได้ใช้มือเปล่าๆของตัวเองผสมกับน้ำมนต์เจ้าแม่ก็สามารถรักษาโรคกระดูกทับเส้นประสาทได้ที่ต้องทำแบบนี้เพราะคนไข้ไม่ยอมไปผ่าตัดขอร้องให้ฉันช่วยฉันจึงจำเป็นต้องช่วย ภายใต้อานุภาพของเจ้าแม่เท่านั้นเองเรื่องมีอยู่ว่ามีชายจีนชาราคนหนึ่งได้รับทราบจากคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งที่ฉันช่วยรักษาอยู่ช่วยแนะนำมาแกก็ตรงดิ่งมาหาให้ฉันช่วยทีเดียวแกมาเล่าให้ฟังว่าแกรักษากับหมอปัจจุบันมานานเต็มทีแล้วอาการไม่กระเตื้องขึ้นเลยแกจึงต้องหันมาหาทางน้ำมนต์ดูบ้างเพราะหมอที่รักษาจะผ่าตัดแกท่าเดียว แกไม่อยากผ่าตัดขอให้ช่วยทีอาการที่เป็นแกเล่าให้ฉันฟังว่ามีอาการปวดที่ปลายกระดูกสันหลังทั้งซ้ายขวารวมแล้วห้าจุดด้วยกันแรกๆก็เดินได้ธรรมดาหนักๆเข้าอาการปวดทำให้ต้องเดินก้มตัวจนกลายเป็นตะแปะหลังโกงต้องใช้ไม้เทา้ายันค้ำตัวไม่ให้ก้มจนเกินไป แลแรกฉันให้การรักษาด้วยการนำน้ำมนผสมน้ำร้อนประครบให้และให้ดื่มน้ำมนด้วยแต่อาการไม่เปลี่ยนแปลงเลยฉันจึงถามเจ้าแม่ว่าจะให้ทำอย่างไรท่านบอกเอามือเด็ดกระดูกที่งอกออกเสียก็แล้วกันฉันก็ลงมือเด็ดโดยเอามือจุ่มน้ำมนที่ใส่ขันตลอดเวลาที่เด็ดต้องอยู่ในสมาธิหลับตาเอามือจุ่มน้ำมนแล้วก็เด็ดทิ้งเด็ดทิ้ง แล้วก็ให้น้ำมนแกไปดื่มด้วยสี่วันต่อมาแกยิ้มแย้มแจ่มใสมาหาให้เด็ดอีกโดยบอกว่าเด็ดแล้วอาการปวดน้อยลงขาที่ชาก็ชาๆหายขอให้เด็ดให้อีกฉันก็ทำให้นี่แกให้ฉันเด็ดสี่ครั้งแล้วอาการที่แกเดินตัวงอโค้งได้หายไปและเดินตัวตรงขึ้นอาการเจ็บหลังไม่เจ็บอีกแล้วแกบอกว่านานๆจะเจ็บสักหนึ่ง รู้สึกดีใจที่ไม่ต้องไปผ่าตัดและเลิกกินยาของหมอที่รักษาโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรไม่รู้กินเข้าไปทายอุจละออกมาเป็นเลือดน่ากลัวกระเพาะจะเป็นแผลก็เลยเลิกกินจนเดี๋ยวนี้แกก็ยังมาให้ฉันเด็ด ก, กระดูกงอกให้ทุกนัดอาการก็ดีขึ้นเรื่อยฉันว่าวิธีนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างแปลกที่ใช้มือเด็ด ก, กระดูกได้หรือท่านคิดอย่างไรช่วยบอกที จบตอนที่หนึ่งต่อไปเป็นตอนที่สองนะครับตอนนี้ชื่อว่าลิปหอยแมลงผู้อัญญาไทยที่เข้าด้วยสมุนไพรนั้นฉันเคยได้ยินผู้ใหญ่คุยกันว่ามีคุณอนันต์มีโทษมหันแบบลางเนื้อชอบลางยาคำที่กล่าวไว้นี้ไม่ผิดเพี้ยนความจริงเลยเพราะฉันโดนมากับตัวเองถึงขนาดพูดไม่ได้ตามองไม่เห็นเอาเลยทีเดียวเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อราวสามสี่ปีมานี้ฉันจำได้ว่าอาการมันเริ่มจากวันที่22ตุลาคมซึ่งเป็นวันเกิดฉันพอดีลูกๆเขาก็นัดกันมาทำอาหารเลี้ยงกันเป็นการภายในเฉพาะครอบครัวมีทั้งกุ้งหอยปูปลาทั้งปิ้งทั้งย่างอาหารล้วนแซ่บๆทั้งนั้นฉันเองเป็นคนไม่ทานหอยแต่วันนั้นถูกลูกสาวขยันขยอให้ลองทานหอยแมลงผูู จิ้มน้ำจิ้มลูกสาวจัดการเลือกตัวโตๆและแกะอะไรก็ไม่ทราบที่ตัวมันทิ้งก่อนแล้วจิ้มน้ำจิ้มใส่ปากให้ฉันลองทานมันมีรสอร่อยจริงๆฉันนึกในใจว่าเรานีโง่มาตั้งหลายสิบปีรู้อย่างนี้กินเสียนานมาแล้วฉันจำได้ว่าวันนั้นฉันทานหอยแมลงผููไปสี่ตัวโตๆและไม่ลืมทานยาช่วยย่อยตามที่หลังด้วยตกกลางคืนฉันรู้สึกแปลกมาก ง่วงแทบตายแต่นอนไม่หลับทองพุทโธก็แล้วนับแกะก็แล้วนับจนไม่รู้กี่ร้อยตัวมันก็ไม่หลับตาแข็งสมองตื่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนฉันนึกในใจว่านี่ต้องเป็นจากการทานหอยเป็นแน่ฉันจึงเกิดอาการวิปริตดังนี้ตกลงคืนนั้นกว่าฉันจะหลับลงได้ก็ใกล้สว่างเต็มทีทั้งการหลับก็หลับหลับตื่นตื่นด้วยทาให้อ่อนระหยลอยแรงเต็มที ตอนเช้าพยายามแข็งใจลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาดื่มอะไรร้อนๆถ้วยหนึ่งแล้วก็เข้าห้องพระคิดในใจว่าเสร็จแล้วจะไม่ยอมพบใครทั้งสิ้นจะขอนอนให้อิ่มเสียทีที่คิดไว้ผิดคาดหมดกลางวันก็ไม่หลับจะเรียกว่าหลับไม่สนิทก็เห็นจะถูกกว่าถึงเวลาอาหารก็ไม่หิวคล้ายเหมือนดมได้คำสองคาก็กลืนไม่ลง ก็เป็นอยู่อย่างนั้นทั้งวันฉันทนง่วงจนถึงเวลานอนในคืนต่อมาอาการก็เป็นอย่างคืนก่อนอีกและสำร้ายอยู่อย่างนั้นจากอาทิตย์เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนระยะนั้นฉันเห็นใครทานอะไรท่าทางอเนจอร่อยฉันจะดูด้วยความแปลกใจที่สุดว่าเขาทานกันได้ยังไงตลอดระยะเวลาฉันพยายามสารพัด ท, ที่จะนอนให้หลับ และพยายามฝึกทานอาหารซึ่งก็ทานได้เฉพาะจำพวกนมและของดื่มที่เป็นน้ำเท่านั้นอาหารที่เกี้ยวแล้วกลืนเป็นอันหมดหวังลำคอฉันติดตันไปหมดน้ำหนักลดลงพวั่วดมึนงงแรงไม่มีได้แค่นอนอยู่บนเตียงสลึมสลือเบื่อตัวเองแทบร้องไห้ในที่สุดฉันทนไม่ไหวก็นึกขึ้นมาได้ว่าฉันได้ยาไทยมาสองซอง พี่สาวคนโตให้มาหลายเดือนแล้วเธอบอกว่าดีมากทานยานี้แล้วทำให้อยากอาหารและเลือดลมดีพี่สาวฉันทานยานี้จนน้ำหนักขึ้นก็เลยหยุดฉันเปิดดูตู้ยาหยิบซองยานี้มาอ่านก็รู้ว่าสรรพคุณดีในทางให้เจริญอาหารฉันก็จัดการแกะซองเพื่อจะทา น, ท, านทันทีที่หูฉันก็บอกว่ายาอย่ากินยานี้นะกินไม่ได้หยุดหยุดอย่ากิน แม้ในหูฉันจะห้ามยังไงฉันก็ไม่ฟังแล้วตอนนั้นจัดการเอาน้ำพึ่งมาผสมแล้วก็ดื่มทันทีพอดื่มเสร็จที่หูก็บอกว่านี่ห้ามไม่เชื่อเรียกเด็กมาสั่งเร็วประเดี๋ยวจะแย่แล้วฉันก็กดออดเรียกเด็กต้นห้องมาสั่งว่านี่นายกินยานี้เข้าไปแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างถนายไม่สบายเห็นหน้าการไม่ดีแล้วก็บอกคุณแดงให้พานายไปโรงพยาบาล น, นะ ตอนที่ฉันเรียกเด็กมาสั่งนั้นเวลาเราราวห้าโมงเย็นเสร็จเสร็จพอเวลาเราหกโมงเย็นกว่ากว่าฉันเริ่มมีอาการไม่ดีทั้งจุกทั้งแน่นหายใจไม่สะดวกอึดอัดในอกบอกไม่ถูกหนักขึ้นทุกทีหายใจหอบที่ยิบเหมือนวิ่งมาเหนื่อยในสมองมึนงงไปหมดต่อมาเวลาประมาณสองทุ่มได้เด็กๆวิ่งกันวุ่นไปหมดทั้งบีบทั้งนวดทำยังไงก็ไม่ทุเลา พอดีลูกชายฉันกลับมาจากเล่นเทนนิสปกติแล้ววันไหนเขาเล่นเทนนิสแล้วก็เขาจะไม่เล่นเซตเดียวจะกลับถึงบ้านสี่ทุ่มเสมอวันนั้นไม่รู้เป็นอะไรอยากกลับบ้านขึ้นมาเฉยๆพอเห็นฉันอาการแย่อย่างนั้นลูกชายเขาก็ประคองฉันลงบันไดไปทั้งชุดเล่นเทนนิสส่วนฉันตอนนั้นตาพร่ามืดเหมือนหลับตาเดินหายใจหอบมากฉันคิดว่าจะไม่ถึงโรงพยาบาลเสียแล้ว ตอนนั่งรถไปฉันท่องพุโทโธไปตลอดเวลานึกว่าตายก็ตายไม่ห่วงอะไรสักอย่างเดียวพอถึงโรงพยาบาลลูกชายลงจากรถวิ่งไปเรียกรถเข็นมาตอนนี้ฉันเกือบจะหมดสติอยู่แล้วพอพยาบาลประจำห้องฉุกเฉินเห็นฉันก็จำได้ว่าเป็นคนไข้ของหมอคนไหนฉันได้ยินแววว่ว่าเขาโทรศัพท์เรียกหมอประจำของฉันแล้วฉันก็เหมือนคนหมดสติ คือตาลืมโพลง่งแต่มองไม่เห็นสมองเบลอหมดจำได้ก่อนจะหมดสติว่าได้ถูกฉีดยาแล้วก็ไม่รู้ตัวคืนนั้นหลับไปจนถึงเช้าตื่นขึ้นมาตามองเห็นเป็นปกติแขนถูกให้น้ำเกลือสองข้างเตียงเขาก็ยกทีกันขึ้นทั้งสองข้างกันตกเตียงรวมเวลาต้องนอนอยู่โรงพยาบาล9วันขณะที่นอนเจ็บอยู่ก็ยังต้องกินยานอนหลับคืนละครึ่งเม็ดจึงจะหลับ และยาอื่นๆ อ, อีกอาหารก็พอทานได้คืออาการอยากอาหารบ้างแต่ก็ยังอยู่ในขั้นเบื่อๆ อ, อยากๆหมอให้การรักษาจนเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงให้กลับบ้านและสั่งํำชับว่าถ้าเผลอไปกินยาที่ไม่รู้จักแบบนี้อีกอาจถึงตายได้แม้คราวนี้ถ้าช่วยไม่ทันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะรอดหรือไม่สำหรับตัวฉันเองนะหรือแม้ว่าหมอจะไม่สั่งฉันก็ไม่ลืม และจะไม่ยอมแต่ต้องอีกเป็นอันขาดเข็ดจนตายท่านผู้อ่านคงเห็นแล้วว่าอันสุภาษิตของโบราณ น, นั้นไม่มีวันตายจะจริงทุกข้อทุกบทเลยจริงๆคุณอ น, นันต์แต่โทษก้อมหันและลางเนื้อชอบลางยาก็แสนจะจริงอย่างสุภาษิตว่าไว้ไม่ผิดเลยอ่านเรื่องนี้แล้วก็จงระวังเห็นยาเข้าสมุนไพรเป็นงผงแล้วล่ะก็อย่าผีผามไปทานเข้า เดี๋ยวจะเหมือนผู้เขียนเข้าโดยไม่รู้ตัวตอนเรียนให้ทราบบรรดาท่านที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยทั้งหลายโปรดทราบด้วยว่าบัดนี้ฉันยิ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองและในอนุภาพของเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่แห่งความเมตตาอย่างแน่วแน่ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ชนิดเห็นกับตาทัานใจฉนั้นถ้าท่านคิดว่าฉันจะเป็นผู้ที่ช่วยให้ท่านทั้งหลายได้พ้นความทุกข์ทั้งปวง ก็จงไปหาชั้นตามเวลาและวันที่เปิดรักษาได้แต่ขอร้องอย่าได้ไปนอกเหนือจากวันพุธและวันเสาร์เพราะฉันขอพักและทำธุระส่วนตัวบ้างเพราะถ้าฉันยอมให้พบนอกเวลาฉันคงต้องล้มเจ็บเองเป็นแน่ด้วยเหตุนี้จึงขอให้ชั้นได้มีเวลาพักบ้างเถิดจะได้มีชีวิตและมีพลังที่จะอยู่ช่วยเหลือพวกท่านได้อีกต่อไปนานๆจะมิดีกว่าหรือ เพราะฉันเองก็อายุมากแล้วเฉพาะสองวันต่อสัปดาห์แต่ฉันก็ต้องช่วยปัดเป่าคนเดียวต่อคนไข้ 50-60 ถึงคนต่อวันก็นับว่าหนักมากอยู่แล้วถ้าตัวฉันมีพลังเช่นหม้อแบตเตอรี่ชั่วระยะจาก10นาฬิกาถึง15นาฬิกานี้หม้อแบตเตอรี่ก็หมดไฟไปได้จริงๆเหมือนกันก็ให้เห็นใจเถิดกรุณ า, าอย่าไปหาฉันนอกวันเวลาไปกว่านี้เลย มิได้เล่นตัวหรือถือตัวใดๆทั้งสิ้นโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยยิ่งนับวันรู้สึกตัวว่าการปฏิบัติตนที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยและมีความทุกอย่างทุกวันนี้เห็นทีจะหยุดไม่ได้เสียแล้วคงจะต้องทำต่อไปจนกว่าจะทำไม่ไหวหรือไม่ก็รับรักษานัณละน้อยคนลงหรือลดเวลาในการรับคนไข้ให้น้อยลงเพียงครึ่งวัน แต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะลดเดี่ยวนี้ทั้งนี้เพื่อถนอมกำลังของตัวเองไม่ให้หนักเกินไปเหตุผลที่จะเลิกไม่ได้ก็โดยเหตุที่ว่าการอธิษฐานจิตให้น้ำมนไปผู้ที่ได้รับการรักษาจะได้รับผลดีอย่างรวดเร็วจนน่าพิศวงปากต่อปากก็บอกกันไปพากันมาบางวันคนไข้มากจนพอเห็นคนไข้ก็เหนื่อยเสียแล้วเพราะการรักษาในแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนมีโรคหลายโรคที่จะต้องบำบัดการให้น้ำมนจึงจำแนกยากมากแต่ละถุงก็ต้องอธิษฐานจิตแต่ละอย่างไปและผลก็ปรากฏออกมาเป็นที่ปลื้มใจผู้เขียนยิ่งนักอย่างเช่นวันหนึ่งก็มีลูกสาวของคนไข้มากกราบขอบคุณบอกว่าแม่เป็นอัมาพาตอยู่หลายปีมิหนำสำพูดก็ไม่ได้แต่พอได้น้ำมนไปกินไปอาบไม่กี่หนก็กลับเป็นคนปกติ เดินเหินได้พูดได้เท่ากับได้เกิดใหม่โอกาสหน้าแม่จะมากราบเท้าขอบคุณวันนี้ฝากแค่เงินมาทําบุญก่อนบางคนมือแข็งหนิ้วมืองอไม่ลงเลยนับเป็นปีๆไปหาหมอมาทั่วก็ไม่หายพอมาที่นี่รับน้ำมนต์ไปแช่มือเพียงสิบครั้งมือก็กลับเป็นปกติขนาดขันกะทิได้มีกําลังบีบได้อย่างเดิมเป็นต้น บางคนแต่งงานตั้งนานอยากได้ลูกลูกก็ไม่มาเกิดมาขอลูกจากเจ้าแม่ท่านก็ให้น้ำมนไปดื่มไปกินเป่าหัวให้ครั้งเดียวพอสองเดือนต่อมาคนคนนี้ก็กลับมาหามากราบลงที่เท้าบอกด้วยอาการดีใจและตื่นเต้นว่าท้องแล้วไปให้หมอตรวจเพิ่งกลับมาหมอบอกท้องได้เกือบสองเดือนแล้วก็แปลว่าพ่อเป่าหัวไปก็ได้ลูกเลยนะสิช่างประหลาดมหัสารริจริง ฉันเองก็งงเหมือนกันจนแทบจะทำให้คิดว่าหรือจะเป็นการบังเอิญแต่ก็ไม่กล้าคิดเพราะจะเป็นการลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ท่านบางคนมาหาหน่าตาหม่นหมองบอกว่าการค้าไม่ดีเลยลูกค้าเข้าร้านน้อยลงมากก็ได้ให้น้ามนต์อธิษฐานจิตไปให้เรียกลูกค้าเข้าร้านมากๆไม่กี่วันคนคนเดิมกลับมาหน้าตาผ่องใสบอกน้ำมนเป็นสิริมงคลดีเหลือเกิน เรียขนให้เพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจมากมาวันนี้จะมาข อ, อน้ำมนต์ไปไว้พรมเรียกลูกค้าอีกมีอยู่รายหนึ่งบอกว่าลูกค้าน้อยมากมาข อ, อน้ำมนต์ไปพรมเรียกลูกค้าแต่กลับมาบอกว่าลูกค้าหายหมดฉันแปลกใจมากถามว่าพรมอย่างไรละ่ะก็ตอบว่าพรมจากข้างในออกไปข้างนอกถึงได้รู้สาเหตุต้องให้น้ำมนต์ไปใหม่ให้พรมจากข้างนอกเข้าข้างใน คราวนี้กลับมายิ้มเป็นว่าได้ผลแล้วลูกค้าเข้าร้านดีพอใจแล้วคราวก่อนไม่เข้าใจพรมจากข้างในออกข้างนอกก็เท่ากับไล่ลูกค้าเท่านั้นเองในช่วงระยะเวลาที่เด็กๆจบชั้นมหกแล้วจะเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆมารดาบิดาก็พาบุตรธิดามาขอพรเพื่อดนบรรดาลดยเจ้าแม่ให้เอนทรานได้ตามปรารถนาฉันจึงจำต้องเปาหัวให้ทุกราย แล้วก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจจริงๆเพราะหลังจากผลออกมาเด็กๆส่วนมากที่ได้รับการเป่าหัวไปต่างโทรศัพท์เข้ามากราบขอบพระคุณว่าเอ็นทรานได้แล้วบางก็มากราบด้วยตัวเองฉันรู้สึกว่าเออตัวเรานี้มีใช้ช่วยแค่รักษาความเจ็บไข้เท่านั้นยังได้ช่วยให้เด็กๆที่รักเรียนได้เข้าเรียนในขั้นมหาวิทยาลัยได้เป็นผลสาเร็จอีกด้วยนะ จบตอนที่หนึ่งต่อไปเป็นตอนที่สองนะครับชื่อตอนว่าแก้อาถันตอนแรกๆของการเปิดจ่ายน้ำมนต์ได้มีสุภาพสตรีผู้หนึ่งมาหาชั้นในตอนเย็นพร้อมบุตรชายสองคนเธอผู้นี้มีความทุกข์ที่น่าเห็นใจมากเธอเล่าว่าหลายปีมาแล้วเธอได้ไปซื้อบ้านจัดสรรไว้หลังหนึ่งวันแรกที่เธอย้ายเข้าไปอยู่ก็เกิดอาถัน ไฟไหม้รถยนต์ของเธอหมดทั้งคันเพราะต่อมาสามีก็นอกใจไปมีภรรยาน้อยตบตีเธอจนสลบในที่สุดก็เลิกกันด้วยการหย่าร้างเธอเองก็ได้รับอุบัติเหตุต้องใส่เสื้อเกราะเพราะกระดูกส่วนด้านหลังเคลื่อนถ้าฉันจำไม่ผิดเธอมาปรึกษาว่าเดี๋ยวนี้เธอย้ายออกจากบ้านหลังนั้นแล้วกำลังจะขายแต่ก็ขายไม่ออกไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอยากขอให้ฉันดูให้ที พอเธอบอกตำแหน่งบ้านนี้ทันทีฉันก็มองเห็นผีแขกตัวหนึ่งตัวโตมากแต่งตัวเหมือนแขกอาหรับโผกหัวด้วยผ้ารุ่มร่ามตัวสูงเกือบติดเพดานยื่นอยู่กลางบ้านหูทั้งสองข้างก้างออกยังกับหูช้างหน้าตาดุน่ากลัวมากฉันก็ได้บอกกับเธอว่าให้หาอาหารแขกใส่กระทงทั้งข้าวหวานน้าด้วยแล้วจุดธูปดอกเดียวไปเส้นเขา เรียกเขาให้มากินและขออย่าขัดขวางการขายบ้านถ้าขายได้แล้วจะทำบุญตักบาตรกวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้ขณะที่กำลังพูดอยู่กับเธอพลันก็มองเห็นใต้บ้านเธอมีตอไม้ซึ่งตระไคจับจนเขียวไปหมดทั้งตัวปลายคอแหลมเป็นหยกัยกๆหน้าเสียวไส้ฉันก็เลยรีบบอกให้เธอทราบ และแนะนาให้รีบไปหาพระที่ถอนอาถรรพ์ได้มาจัดการถอนอาถรรพ์เสียแล้วเธอจะได้หมดความทุกข์ทั้งปวงเธอรับฟังและจดไปไม่ทราบว่าเธอไปจัดการได้ผลเป็นอย่างไรเพราะเงียบหายไปไม่เห็นมาส่งข่าวให้ทราบแต่เชื่อว่าเธอคงไปจัดการเรียบร้อยไปแล้วป่านนี้ถ้าเธอมีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นเธอคงกลับมาหาฉันแล้วจึงคิดไปในทางดีว่า เธอคงผ่านพ้นอุปสรรคดังกล่าวหมดสิ้นไปแล้วอย่างแน่นอน